บนสถานีตำรวจบางยี่เรือต่อหน้าท่านสารวัตรซึ่งผมเป็นผู้ไปขอร้องท่านเพื่อให้ความยุติธรรมกับผมในที่นั้นมีทั้งเมียผมและก็ชู้เมียผมอีกลูกสาวอายุ12ขวบของผมเองและตัวผมเองซึ่งกำลังนั่งก้มหน้านั่งฟังคำไก่เกลีย่ยแล้วก็ตัดสินจากท่านเรื่องนี้เมื่อจะถูกต้องการให้เรื่องจบลงโดยเร็วและสงบท่านสารวัตรกล่าวขึ้นด้วยเสียงหนักเจ้าถูก ไม่ต้องการถึงโรงถึงศาลความจะได้สิ้นลงที่คนกลางก็คือนางมะลิจะเลือกเอาว่าจะเลือกกลับไปอยู่กินกับนายแก้วสามีเก่าหรือจะเลือกไปกับนายเจเรสามีใหม่ท่านผู้การพูดโดยไม่เพ่งมองดูใครให้ดูเป็นการบังคับเร่งให้ตอบยอมให้เวลาคิดนิดหน่อยเพราะเรื่องการเป็นชู้สู่สาวนั้นอันเป็นเรื่องโรงศาลเมื่อขอให้ตารวจตัดสินก็ต้องเป็นไปตามทานองนี้ผมได้แต่ก้มหน้านิ่ง ไม่มองเมียผมและไม่มองชู้ของเมียผมเพื่อไม่เป็นการบังคับหรืออ on ้อนวอนต้องการความสมัครใจอันแท้จริงดิฉันขอไปกับคนใหม่ค่ะแม่มลิเมียของผมพูดอย่างหนักแน่นผมรู้สึกใจหายนิดหน่อยแต่แล้วก็หักได้และไม่มีประโยชน์อะไรจะไปฉุดใจคนที่นอกใจไปแล้วให้กลับมาแต่ร่างกายอ้าวแล้วนายแก้วว่ายังไงล่ะท่านสารวัตรถามย้ำอีกนายเจเรล่ะยินดีรับเลี้ยงไหม ท่านหันไปถามชายชู้ผมยินดีครับนายจเรตอบรับอ๋อท่านเจ้าคะ่ะเรื่องลูกเจ้าคะ่ะดิฉันอยากได้ลูกของดิฉันเจ้าคะ่ะมาลีว่าเอา้านายแก้วล่ะท่านถามผมขอให้ท่านตัดสินในทางที่ควรเถอะครับผมเพราะว่าทางฝ่ายชู้เขามีฐานะดีกว่าผมส่วนผมเนี่ยมันยากจนหาเช้ากินขําแต่ว่าลูกนะหัวใจแท้ของกระผมผมตอบอย่างยากใจเรื่องนี้นะ่ะ พูดกันเอาเองไม่ได้หรอกตัวของลูกก็คือคนกลางต้องแล้วแต่คนกลางท่านสารวัตรจัดอย่างตรงไปตรงมาหนูไปกับพ่อคะ่ะหนูผ่องพูดก่อนที่ท่านสารวัตรจะถามหนูแน่ใจแล้วเหรอที่พูดออกมาแบบนั้นท่านถามเสียงอ่อยๆแต่ว่าเต็มไปด้วยความปรานีหนูแน่ใจคะ่ะหนูผ่องยังคงยืนคำตอบเดิมผมสุดจะหักและดับความวุ่นวายใจลงได้ ผมร้องไห้เพราะรักลูกจับหัวใจและการร้องไห้นั้นเป็นต่อหน้าใครๆหลายคนพ่อไม่รักหนูหร้อจ๊ะพ่อถึงร้องไห้ลูกสาวตัวเล็กๆถามผมอย่างไม่คาดฝันโถ่ลูกพ่อลูกคือดวงใจของพ่อนะแล้วก็เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของพ่อที่พ่อร้องไห้เนี่ยก็ร้องด้วยความดีใจผมตอบกับลูกสาวของผมพร้อมกับกอดไว้ในอกตำรวจทุกคนเบือนหน้าไปทางอื่นซึ่งอาจจะทนดูภาพของผมกับลูกไม่ไหว เรานั่งรอคอยอยู่นานกว่าตำรวจจะทำเรื่องแล้วเมื่อเรื่องเสร็จแล้วทั้งฝ่ายผมและฝ่ายเมียผมและชู้ได้ลงชื่อเป็นการรับรองแน่นอนตามข้อตกลงแล้วต่างก็ร่ำลาท่านสารวัตรแล้วก็ตำรวจท่านอื่นๆลงจากที่ทำการแม่มาลิเขาขึ้นแท็กซี่ไปกับผัวใหม่ส่วนผมกับลูกเดินมาข้างถนนผมกุมมือลูกเดินไปอย่างทะนุถนอมเหลือเราสองคนแล้วนะลูกผมพูดกับลูกด้วยเสียงไม่ค่อยออกจากคอ ลูกไม่ตอบอะไรแต่กอดผมแน่นผมน้ําตาไหลอีกนี่คือสิ่งเดียวที่ติดตัวสําหรับผู้ยากก็คือลูกที่รักท่านที่เคารพทั้งหลายเรื่องเมียผมผมก็รักแต่เขาไม่รักผมเขาถึงได้ไปมีชู้ไม่ใช่ว่าผมจะไม่เสียใจอะไรหรอกนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าผมจะไม่โกรธแค้นแต่ผมเนี่ยเอากฎธรรมดาเข้าสอนใจตนเองว่าถ้าเราดีจริงๆดีอย่างถึงขั้นสุดไหนเมียจะนอกใจไปอื่น เราดีไม่พอให้ความสุขเมียไม่พอเขาก็เลยหาทางไปใครๆก็อยากจะสุขสบายกันทั้งนั้นการจะโกรธแค้นเขาก็ต้องสํารวจตัวเองก่อนใครล่ะครับจะรับว่าสุขแค่โน้นแค่นี้ก็พอแล้วผมมีฐานะแค่คนงานรับจ้างก่อสร้างผูเกเหล็กแล้วก็ราดปูนทําตึกผู้รับเหมาเขารับเหมาก่อสร้างที่ไหนก็ไปที่นั่นบ้านที่มุดหัวนอนก็คือตรอกแถวตากสินทนบุรีมีบ้านเขาปลูกให้เช่าหลังหนึ่งกันห้องเล็กห้องน้อย กั้นใต้ถุนบ้างกั้นเชิงชายบ้างไกลจะเช่าก็พอเช่าซุกหัวนอนนี่แหละครับความสุขที่ผมมีให้กับเมียต่อไปนี้เหลือแต่ลูกสาวที่เรียนจบแค่ป .4 ก็หมดปัญญาที่จะให้เรียนต่อสูงๆได้ไปอีกผมทํางานหาเงินไม่ให้ลูกสาวอดอยากไม่ยอมเที่ยวเตรีเฮฮากับเพื่อนขอร้องให้เพื่อนเห็นใจในความจําเป็นอย่าตาหนิติเตียนหรือว่าเกลียดชังกันเลยขอก้มหน้าเลี้ยงลูกไปจนกว่าจะโต อยู่มากับลูกได้นานเดือนแล้ววันหนึ่งเป็นวันที่หัวใจผมสลายแล้วก็แหลกลานผมกลับจากที่ทำงานกลับมาอยู่ที่กระยาจกคนที่อยู่ที่นั่นด้วยกันร้องบอกว่ารถยนต์ชนลูกสาวผมสลบตำรวจเอาตัวไปโรงพยาบาลตำรวจผมถึงกับเซไปพิงรัว้วหัวใจเหมือนจะหยุดเต้นแต่ว่าในครู่นั้นเองเพื่อนๆผู้ยากจนด้วยกันได้ฉุดลากผมขึ้นแท็กซี่ไปโรงพยาบาลตารวจและก็รู้ว่าที่นั่นลูกสาวผมขาดใจตายซะแล้ว ผมถึงกับเป็นลมลม้ลมลงด้วยความเหนื่อยจากงานและก็ยังไม่มีอาหารตกถึงท้องเลยพอโดนความเศร้าโศกขั้นรุนแรงก็หน้ามืดแพทย์ที่นั่นแก้ไขผมฟื้นขึ้นแต่ว่าไม่ยอมให้ผมเข้าไปดูลูกสาวเพราะว่าอาการผมยังไม่ดีเมื่อให้ยาแล้วก็ให้ผมกลับบ้านและกําชับว่ารุ่งขึ้นให้ไปรับศพอย่าช้าผิดกําหนดเพราะว่าปอเต็กตึงทําสัญญาไว้ว่าเท่านั้นเท่านั้นชั่วโมง หากไม่มีใครมารับศพและเนื่องจากไม่มีญาติหรือไม่มีกําลังทรัพย์จะมารับศพได้ทางปอเต็กตึงจะจัดการให้ผมพูดอะไรไม่ได้ได้เพียงแต่รับฟังหัวใจลอยค้างร้งรองไห้อย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อนบ้านผู้เมตตาได้ฉุดผมเข้าไปที่วัดฮิรันรูจีไปหานายเช้าเพื่อนผู้เป็นสัปเหร่อที่วัดนั้นพอเขารู้เรื่องก็เตรียมลงศพไว้ไปรับศพวันรุ่งขึ้นคืนนั้นผมนอนไม่ลงใจคอมันหาย วังเวงร้องไห้คอยเวลาจนรุ่งเช้าใครใครที่โกรธแค้นรถยนต์คันที่ชนลูกถามผมว่าเป็นรถอะไรแล้วก็รถใครเรื่องนี้ผมไม่รู้เลยไปทำงานกลับมาก็รู้ว่าลูกถูกรถชนก็เลยตอบไปว่าไม่รู้มันแต่ถึงจะรู้ลูกผมก็ไม่ฟื้นแล้วตอบได้แค่นี้สำหรับคนที่มีหัวใจเกือบพิกลนพิการลูกเอยเรามีกันสองคนเท่านั้นมาทิ้งพ่อไปซะแล้ว ผมพูดคำนี้ตลอดเวลาที่ไปรับศพลูกทั้งลงศพรถบรรทุกเพื่อนสับ ป, ประเวอของผมก็จัดการหมดเพื่อนเอย๋ยเพื่อนตายของฉันทั้งเนื้อทั้งตัวฉันมีเงินติดตัวอยู่สองร้อยผมเทกระเป๋าให้เขาดูมีเท่านี้เองทั้งเนื้อทั้งตัวเฮ้ย hey, อย่าวุ่นไปเลยในเช้าสับ ป, ประเวอพูดอย่างดุดไม่ช่วยเพื่อนจะให้ช่วยมาที่ไหนล่ะในเช้าพูดตอนท้ายเป็นสนุกแล้วก็นั่งรถนาลงศพ เพื่อที่จะไปรับศพลูกสาวผมที่โรงพยาบาลตํารวจในห้องเก็บศพช่างมีกลิ่นศพอื่นเน่าเฟะเพื่อรอญาติมารับเหม็นแทบเป็นลมผมไม่เอาใจใส่กอดศพลูกร้องไห้ดังหัวใจจะขาดลูกเอ้ยพ่อมันเป็นคนไม่สามารถทําอะไรให้ลูกได้เก่งแต่ทําให้ลูกเกิดเท่านั้นนอกนั้นก็เหมือนหมาไม่มีอะไรสมตําแหน่งในการเป็นพ่อของลูกเลยอย่าวุ่นเลยในเชา้าดุปล่อยลูกปล่อย แล้วเขากับเพื่อนอีกคนก็แย่งเอาลูกไปจัดผมนำลงลงแล้วก็ลากผมขึ้นรถเอาศพกลับมาที่วัดฮิรันรูจีเพราะเช้าจา๋าฉันมีเงินเพียง200บาทจะทำยังไงค่าลงค่ารถค่าพระสวดค่าเผาอีกผมพูดไปด้วยใจห่วงแล้วก็กลุ้มแทบคลั่งเธอนะ่ะอย่าวุ่นเลยเพราะสับ ป, ประเวสเนี่ยดุอยู่ตลอดเวลาคืนนั้นสวดจบลงแล้วผมก็ยังคงนั่งงงอยู่หน้าลงศพ ในเช้ากะโครงการไว้ว่าสวดขึ้นเดียวรุ่งขึ้นเผาเลยลูกเอ๋ยจะว่าลูกเกิดผิดที่ก็ไม่เชิงนักพ่อยากจนจริงแต่รวยรักที่ให้กับลูกนั้นมากมายล้นเหลือแก้วเวย้ยแกกลับไปนอนบ้านเถอะถ้าไม่กลับไปก็นอนบ้านฉันนี่แหละในเช้าพูดแล้วก็จัดการดับไฟในเขตเมนลงทุกๆตัวเหลือเพียงที่ศพเท่านั้นเช้าเอ้ยฉันมีกันเพียงแค่สองคนพ่อลูกฉันไปไหนไม่ได้หรอก ขอฉันนอนอยู่กับลูกที่นี่เถอะผมบอกกับเขาในเช้ามองตาผมนิ่งแต่แล้วก็พยักหน้าอ้าตามใจแล้วกันเขาไปหาหมอนแล้วก็มุ้งแล้วก็เสือมาให้ซึ่งจะเป็นของใครนั้นผมก็ไม่ทราบเพราะว่าหมอนมุ้งแล้วก็เสือนั้นมันมีกลิ่นเหม็นสาบแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาถ้าได้นอนกับลูกที่นั่นแม้จะไม่มีมุ้งก็ยอมนอนถึงยุงฝั่งทนจะชุมขนาดหามคนได้ก็ยอมทนสุดแต่การ ในเช้าจัดการที่นอนเสร็จใกล้ๆที่ตั้งศพแล้วในเช้าก็เอาเหล้ามาเลี้ยงผมและตัวเขาก็อยู่กับผมที่นั่นไม่ยอมกลับผมเพิ่งรู้จักว่าคนใดที่มนุษย์ทั้งหลายรังเกียจว่าต่ําช้าแต่กลับน่าคบค้าสมาคมและน่านับถือในน้ําใจตอนเช้าผมได้ออกจากวัดไปหานายงานที่บ้านเขาตําบลคลองสารเพื่อแจ้งเหตุต่างๆกับเขาแล้วก็ขอหยุดงานเพื่อเผาศพลูกให้เสร็จ ตลอดเวลาที่นายจ้างทั้งผัวทั้งเมียฟังเรื่องจากผมเขาก็มีสีหน้าสงสารผมมากเรื่องการแยกทางกับเมียเขารู้อยู่แล้วอยู่กับลูกสองคนแต่ลูกมาจากไปซะอีกเขาทั้งสองคนอัำอึง้งพร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือผมมาอีก100บาทผมก็เอาเงินนั้นมามอบให้กับนายเชาผู้อารีรวมทั้งเงินเพื่อนบ้านใกล้เคียงของผมที่ล้วนแต่ยากจนคนละสองบาท3บาทตามแต่จะมีการเผาศพลูกเอากันเพียงว่าไม่ คนที่มาเผาก็คือเพื่อนบ้านที่แสนจะยากจนเท่านั้นเผากันเ ง, งียบๆคล้ายกับเผาซากสัตว์เลี้ยงลูกเอ้ยพ่อคิดฝากผีฝากไข้กับลูกแต่ลงท้ายพ่อก็ต้องเผาลูกผมพูดเบาๆตอนที่กำลังเผาเอากระดูกบ้างไหมสักชิ้นสองชิ้นในเช้าถามผมพุทโธเอาสิผมตอบดีแล้วเหลือนั่นจะได้เผาเป็นคีเท่าไปเลยเชา้าว่าฉันเตรียมถุงพลาสติกมาให้แกละ ผมได้บอกกับเพื่อนผู้น่ารักและก็น่าเคารพทั้งหลายที่เช่าห้องซุกหัวนอนด้วยกันว่ายังจะกลับบ้านเวลานี้ไม่ไหวใจมันจะขาดขอในประเทศตัวเองไปนอนตามบ้านเพื่อนและก็ตามวัดคุยกับพระสักสองสามวันก่อนพอคลายใจคืนนั้นผมอยู่กับในเช้าที่เมนก่อนกว่าเขาจะเสร็จงานก็ได้ตามเขาไปที่บ้านเมื่อไปถึงบ้านพักแบบแมวดิ้นตายของเขาเราก็ฝัดเล่าพอดับโศกไปพลางๆคืนต่อมาก็นอนกับพระที่วัด คืนหลังๆก็เร่ไปนอนที่ห้องเก็บของที่บ้านนายผู้รับเหมานายรู้ใจผมดีว่าจะกลับบ้านตัวเองได้อย่างไรโดยไม่มีลูกสาวอยู่ด้วยแต่ว่ากระดูกลูกผมก็เอาติดกร ะ, ะเป๋าตลอดเวลาไปกับพ่อนะอยู่กับพ่อนะลูกนะผมพูดไปตบกร ะ, ะเป๋าไปรวมถึงเวลาที่ผมกินข้าวผมก็แบ่งข้าวจานหนึ่งแบ่งกับจานหนึ่งแบ่งให้เป็นสองชุดวางไว้ทาเสมือนเวลากินข้าวด้วยกันสองคนพ่อลูก บางมื้อก็กินกันอย่างหน่าชื่นตาบานแต่ว่าบางมื้อก็กินกันด้วยน้ําตาเพราะนึกถึงอาหารมื้อนั้นมันเลวเกี่ยวกับทุนทรัพย์ก็สงสารลูกนักที่ต้องทนกินกับพ่อแบบนี้นายผู้รับเหมารักผมมากสงสารผมมากได้จัดแจงห้องเก็บของห้องนั้นยกให้ผมพักโดยไม่มีค่าเช่าแต่อย่างใดทั้งยังแถมอาหารเช้าและก็อาหารเย็นให้อีกให้ผมไปกินในครัวของนายได้ โดยมีแม่ครัวสาวทึมทึกเป็นคนจัดแบ่งอาหารให้ผมอย่างเต็มใจเพราะว่าแม่ครัวคนนี้มีความสงสารผมเป็นทุนอยู่แล้วนานเดือนเข้าผมก็เลยเก็บเงินไว้ได้บ้างเพราะตัดค่าอาหารไปสองมือ้อส่วนค่าตัวที่ทำงานได้ก็เพิ่มขึ้นอีกด้วยว่าการงานของผมแข็งแล้วก็เรียบร้อยดีเหตุการณ์เป็นแบบนี้ทาให้ผมคิดถึงลูกสาวเป็นที่สุดถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ดูจะมีความสุขกว่าเดิมเท่าที่กระดูกอยู่กับผมเวลานี้ ความรู้สึกของผมมันแน่ใจว่าลูกสาวยังคงอยู่กับผมมันอุ่นใจสบายใจเหมือนกับว่าลูกอยู่ใกล้กกลผมเสมอผมยกมือท่วมหัวกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในผลความดีของผมที่ประพฤติมาขอจงช่วยรักษาสิ่งที่ผมมีอยู่แม้จะเป็นลมลมแรงๆอย่าให้ขาดหายไปเลยจากเวลาที่ลูกได้ตายจากไปแล้วผ่านไปได้หนึ่งปีผมมีฐานะการเงินดีขึ้น และมีตำแหน่งการงานเลื่อนขั้นขึ้นจากคนงานก็เป็นนายงานควบคุมการก่อสร้างแทนนายส่วนที่อาศัยพักกายก็คงอยู่ดังเดิมคือห้องเก็บของของนายมีได้ทำตัวเย่อหยิ่งเห่อเหิมตามฐานะอยู่อย่างเก่าสบายใจดีมีความสุขกับวิญ ญ, ญาณลูกสาวที่ผมรู้แน่ว่าลูกไม่ได้ไปเกิดแต่ว่าลูกยังคงอยู่กับผมตลอดเวลาผมยังไปเยี่ยมเพื่อนชั้นยอดของผมอยู่เสมอผู้นั้นก็คือในเช้าสับเบร์ ผมจะลืมผู้นี้ซะไม่ได้มีอาชีพเป็นสัปเหร่ซึ่งใครๆก็ลังเกียจว่าต่ำต้อยหากแต่ผมเนี่ยนับถือใจคอของเขาว่าน่าคบค้าสมาคมมีได้ต่ำตมตามอาชีพไปด้วยและมั่นใจว่าเวลาที่จะต้องพึ่งเขานั้นเข้าขั้นสำคัญคือเมื่อตัวเองตายลงเคยเล่าให้ในเช้าฟังว่าผมรู้สึกว่าวิญญาณลูกสาวของผมยังอยู่กับผมแน่ๆรู้สึกแววแวอบอุ่นใจตลอดเวลาทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืน เพิ่งรู้ล้วในเช้าเบิกตากว้างถามผมฉันรู้มาตั้งปีแล้วผมว่าอ้อแต่เนี่ยฉันเนี่ยรู้ตั้งแต่วันเผาศพเขาเสร็จแล้วนะฉันไม่กล้าบอกแกในเวลานั้นแกเดินไปไหนลูกสาวแกก็เดินตามหลังแกไปเรื่อยๆฉันเห็นกับตาเลยรู้สึกตื้นตันใจฉันคุยให้พระท่านฟังพระท่านฟังแล้วก็เกิดสงสัยว่าจะเป็นการทรมานวิญญาณหรือเปล่าเอ๊ะทรมานเหรอผมถามอย่างตกใจ อ๋อไม่แน่นักรอกเรื่องนั้นเนี่ยฉันเคยถกเถียงกับพระท่านเหมือนกันในชาวว่าฉันถามพระท่านว่าทำไมพระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องการเกิดล่ะพระท่านก็เลยดุฉันว่าไม่รู้อะไรจริงอย่าพูดไปการไม่เกิดของพระพุทธเจ้านั้นท่านหมายถึงว่าไม่มีอะไรเกิดดับจริงๆดับเงียบไปเลยการที่ยังคงเป็นดวงวิญญาณอยู่เนี่ยหมายถึงว่าเป็นการรอคอยการเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่เป็นดวงวิญญาณแล้วก็ดับไปเลย ไม่มีท่าทีว่าจะมีการวนเวียนโผล่ม่อีกถ้าไม่รู้จริงอย่าไปพูดเข้านะจะปนเปกันไปแล้วก็เข้าใจผิดกันขึ้นแต่ฉันเนี่ยได้ยินผูร้รู้เขาค้นคว้าแล้วก็พูดว่าวิ ญ, ญญาณทุกดวงไม่อยากจะเกิดหรอกเพราะว่าการเกิดนั้นมันเป็นการหมุนเข้าหาความกังวลอีกอาจจะเกิดในครันของผู้ที่คับแค้นเข้ากว่าเก่าการที่เขายังไม่ไปเกิดนั้นวิญญาณเขาก็ได้มีเวลาพักผ่อนเป็นพิเศษว่างเปล่าหมดห่วงทุกๆสิ่ง ในเช้าอธิบายอ๋อผมร้องถ้าอย่างนั้นก็ค่อยยังชั่วประเดี๋ยวจะเป็นว่าชั้นเนี่ยเองเป็นผู้ถ่วงวิญญาณลูกถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะเป็นกรรมของชั้นแล้วก็กรรมของลูกนั่นแหละผมพูดอย่างโล่งอกการจะถ่วงหรือไม่ถ่วงก็ไม่แน่นะในเช้าพูดอีกลงถ้าเขาจะเกิดแล้วก็ตัวแกเนี่ยจะเก่งกาจอย่างไดจะไปฉุดเข้าไว้ได้ผู้รู้เขาก็ยังว่าอย่างงี้ที่เขายังไม่ไปเกิดก็เพราะว่ายังไม่ถึงเวลาเกิดของเขา ผมฟังแล้วก็ค่อยสบายใจขึ้นแต่หน้าเบื่อหน่ายในเรื่องของมนุษย์ซะจริงๆเรื่องของความกังวล น, นั้นไม่ว่ามนุษย์ใดก็ย่อมกังวลอยู่ทุกวินาทีกังวลว่าจะไม่มีกินกังวลกลัวความเกลียดกังวลกลัวความตายเร็วไม่ว่าอะไรก็กังวลร้อยแปดเออเช้าฉันลืมเล่าอะไรให้แกฟังฉันรอดตายมาเมื่อ3ามสีวันนี่เอง ตอนที่ฉันกําลังตรวจงานอยู่ชั้นบนเนี่ยพอหมุนตัวจะเดินต่อมันเกิดเวียนหัววูบแล้วก็จะตกลงไปชั้นล่างชั้นคว้าโครงเหล็กแต่ว่าชั้นคว้าผิดใจฉันหายวูบเลยเช้าเอ้ยทําไมฉันไม่ตกลงไปข้างล่างกลับเป็นว่าฉันเนี่ยหมุนตัวมาล้มอยู่ข้างในด้านที่มีพื้นรับความรู้สึกมันเหมือนใครมาฉุดไว้น่ะพอฉันหายตกใจแล้วฉันก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอ๋อลูกฉันนั่นเองฉุดให้ฉันหมุนเลยเข้ามาทางที่มีพื้นรับอยู่ ใช่นะสิในเช้าร้องแล้วก็จ้องหน้าผมนิ่งนั่นก็คือลูกของแกมีความกังวลแล้วก็เป็นห่วงแกอยู่มิฉะนั้นฉันก็ต้องเผาแกอีกคนไปแล้วละ่ะเราออกมาดื่มเหล้ากันที่ตลาดวงเวียนใหญ่ดื่มกันไปคุยกันไปในเช้าของผมเป็นคนพูดอะไรน่าฟังใครพูดอะไรให้ได้ยินก็ช่างจดช่างจําเอาไว้เก็บไว้เป็นความรู้ใส่ตัวเออนี่แกอย่าไปคิดอะไรเลยนะในเช้าพูดการจะถ่วงวิ ญ, ญญาณหรือไม่ถ่วงเนี่ย มันก็จะยุ่งกับหัวใจแกเปล่าๆเอากันแค่ว่าถ้ากัมีความสุขที่วิญญาณอยู่ใกล้ก็อัญเชิญเข้าไปนอกจากเขาจะพบที่เหมาะสมที่จะไปเกิดนั่นน่ะเราก็หมดปัญญาจะฉุดเข้าไปได้แต่พ่อแก้วจ้ะการเลือกที่เกิดนะ่ะมันเลือกไม่ได้หรอกนะถ้าเลือกได้คนอย่างฉันเนี่ยที่ไหนจะมาเกิดเป็นสั ป, ปเหร่อในเช้าพูดตลบลงให้ขบขันอีก2เดือนต่อมาผมเกิดได้ความรู้ใหม่ขึ้นมาอีกก็คือการได้รู้ว่าจิตใจของมนุษย์ มีอะไรแปลกๆคนอย่างฉันเนี่ยยังรู้จักใจมนุษย์ไม่พอเกิดมายังน้อยนักแม่มลิภรรยาที่แยกทางกันไปแล้วได้มาหาผมซึ่งกำลังทำงานอยู่เราได้นั่งพูดจากันที่ร้านกาแฟแถวนั้นเธอมีอะไรกับฉันอีกละ่ะผมถามเมื่อเขาสั่งเครื่องดื่มมาดื่มฉันมีเรื่องจะพูดกับพี่สองสาคำเท่านั้นแหละมะลิพูดอย่างไวตัวนหน่อยๆตามฐานะที่เห็นไดจากการแต่งกายดี อ๋องั้นก็เชิญเลยผมพูดแบบเป็นการเป็นงานไปเลยลูกของเราตายไปแล้วมลิเริ่มต้นฉันนั่งคิดนอนคิดว่าฉันอยู่กับพี่แก้วมาพี่แก้วก็ไม่เคยผิดแล้วก็คิดร้ายอะไรกับฉันเท่าที่ฉันแยกทางไปนั้นก็เกิดจากฉันทนความยากจนไม่ไหวฉันก็เลยเป็นผู้ก่อกรรมขึ้นแต่ว่าตอนนี้ฉันต้องการที่จะล้างกรรมถ้าพี่แก้วหมดผู้ปริบัติแล้วพี่แก้วต้องการให้ฉันกลับมา ฉันจะกลับมาปรินตบัตพี่แก้วก็ได้นะผมฟังเขาพูดอย่างง่ายๆไม่คิดว่าจะได้ยินคำนี้จากปากเขาแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะมีมนุษย์แบบนี้อยู่ในโลกใจผมสะดุ้งวูบตอบอะไรออกไปทันทีไม่ได้มึนงงเหมือนกับถูกต่อยแล้วนี่เลิกกับนายจเรแล้วเหรออ๋อไม่เลยก็ยังอยู่ปกติดีมลีตอบแบบมีกิริยาธรรมดาอา้าวแล้วมีความคิดอะไรแบบนี้ขึ้นมาล่ะ ผมพูดด้วยใจนึกหมันไสมีความคิดอย่างที่พูดมาแล้วนั่นแหละมาลีตอบง่ายๆถ้าพี่แก้วต้องการอย่างที่เชนพูดฉันจะพูดตกลงแยกทางกับนายเจเรตอบอย่างที่ไม่เคยคิดว่าจะมีมนุษย์แปลกๆในโลกนี้ขอทีเถอะแม่คุณอย่าทําอะไรอะไรให้มันเป็นขี้ปากเจ้าบ้านเลยอย่าคิดแปลกๆแบบนั้นเวลาเนี้ยฉันก็มีความสุขดีอยู่แล้วและมาลีก็มีความสุขแล้วอย่าเอาเรื่องไม่เป็นมงคลมาคิดอีก ผมตอบไปอย่างเด็ดขาดแล้วก็ขยะขยแยงพิลึกฉันมาถามความต้องการเท่านั้นทาไมต้องการก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นอันว่าเราก็ต่างคนต่างอยู่ก็แล้วกันมลิพูดถูกละอย่างที่ว่านั้นถูกต้องละฉันก็สบายดีผมรีบตัดบทมีเท่านี้เองประเดี๋ยวผีสางเทวดาจะว่าคนอย่างฉันไม่เหลียวแลคนที่เคยร่วมทุกร่วมสุขกันมาแต่ก่อนมลิว่าขอบใจมากผมตอบแล้วก็เบือนหน้าไปทางอื่น ถ้าคิดอย่างง่ายๆแบบนี้ทำไมแม่คุณไม่คิดตั้งแต่หนแรกประหลาดคนผมอดกลั้นไม่พูดอะไรให้มันรุนแรงฉันลาก่อนค่ะครับสวัสดีครับผมลุกขึ้นยืนก่อนมะลิยกมือไหว้ผมผมก็ไหว้ตอบแล้วมะลิก็รีบออกจากร้านขึ้นรถแท็กซี่จากไปผมรู้สึกว่าถูกตีหัวจะยังจะงงน้อยกว่านี้นี่มันเป็นเรื่องที่แปลก แล้วก็แปลไม่ออกเลยว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้เขาก็รักผัวใหม่เขามากกว่าผมถึงได้แยกทางไปย่างไม่เคยคิดหน้าคิดหลังเหตุใดจะย้อนกลับมานึกถึงเวรกรรมและก็ความหลังหรือเกิดจะไม่สบอัธยาศัยกับผัวใหม่ขึ้นแล้วด้วยโรคเปลี่ยนผัวง่ายๆก็เลยมาในรูปแบบนี้แต่ว่าในแก้วเป็นแบบนั้นไม่ได้แม้จะเป็นกระยาจกก็ไม่ยอมเสียคน ต่อไปจะเรียกพวกสัตว์เลื้อยคลานว่าสัตว์ได้อย่างไรเมื่อเราเองดำเนินชีวิตเยี่ยงสัตว์แบบนี้ซะแล้วคืนนั้นกลับบ้านนอนด้วยความไม่สบายใจแล้วก็อดคิดถึงเหตุการณ์ประหลาดนั้นไม่ได้แม่มลิคนนี้มีอารมณ์จะเปลี่ยนผัวเล่นง่ายๆช่างไม่คิดค่าราคาของการเป็นผัวเป็นเมียซะบ้างเลยจริงอยู่มันไม่มีค่าไม่มีราคาเป็นเงินเป็นทองแต่ว่าเป็นค่าราคาแห่งเกียรติของคนเรื่องนี้ถ้าผัวใหม่รู้เรื่องจะเสียใจที่สุด ว่าแม่เมียที่เขารักจนยับยังไม่ไหวต้องแอบมาเป็นชู้ไปจากผมแอบมาหาผัวเก่าเพื่อที่จะขอกลับมาเป็นเมียผัวเก่าอีกรอบหนึ่งอา น, นิจจากรรมเส l a ลคงจะเกิดต้องการเปลี่ยนใจให้ตัวเองตื่นเต้นเพราะเก่าๆมันดื้อด้านไปแล้วก็หาทางเปลี่ยนให้เกิดความคึกคักขึ้นอีกชื่อเสียงจะเป็นอย่างไรช่างหัวมันจริงอยู่คนจนนั้นก็ย่อมไม่มีเกียรติที่จะเสีย เกียรติของคำว่ามนุษย์นั้นมันยังมีอยู่แท้ๆเพราะมนุษย์ก็ยังสูงกว่าสัตว์ถ้าผมต้องการมีอะไรอีกใจผมคิดไว้ว่าจะตกลงกับแม่ครัวทึมทึกของนายผมแน่ๆเพราะว่าจับตาดูมานานแล้วรู้สึกว่าแกจะเต็มใจผมแล้วก็สงสารผมในแง่ต่างๆเช่นเมียทิ้งไปมีผัวใหม่ลูกสาวที่อยู่เป็นเพื่อนก็มาตายจากไปทั้งผมเองก็เจียมตัวไม่เที่ยวเตะกลับจากการทางานก็นอนอยู่กับห้อง ผู้ชายที่กระทาตัวแบบผมย่อมเป็นที่ต้องการของหญิงที่เขาปกครองง่ายไม่ต้องคอยตามดูแลแต่ที่ผมไม่กล้าจะคิดมีเมียอีกก็โดยว่าผมห่วงวิญญาณของลูกสาวของผมถ้าเกิดมีเมียใหม่ขึ้นมาเมียเขาคงไม่ยอมให้กระทาบางอย่างเช่นทุกวันนี้ผมมีเตียงเล็กๆหนึ่งเตียงแล้วก็กางมุ้งให้เวลาค่าคืนแล้วก็มีห่อกระดูกติดกระเป๋าไปถ้าอยู่บ้านก็กระทาเหมือนที่ว่า ซ้ำเวลากินอาหารผมยังแบ่งจานแบ่งช้อนแบ่งซ่อมจัดกับข้าวอีกชุดหนึ่งเพื่อที่จะให้ลูกผมเสมอเมียใหม่เขาก็จะหาว่าผมเลี้ยงผีเขาไม่ยอมเป็นอย่างนี้แน่เมื่อเหตุการณ์มันขัดกันอยู่แบบนี้อยู่คนเดียวแล้วก็แนบข้างด้วยวิญญาณของลูกสาวสบายใจดีกว่าเรื่องรักเรื่องใครก็ชักเอืมระอาซะแล้วมันพลาดถึงขนาดปลูกเรือนผิดมันต้องเจ็บอกเจ็บใจไปนานนะัก ท่านผู้อ่านที่เคารพผมเป็นคนขี้ขลาดหรือไม่กล้า ส, สู้กับชายชู้ที่เป็นชู้กับเมียตนทั้งที่จับได้คาหนังคาเขาทําไมไม่ฆ่าชู้ซะให้สมศักดิ์ศรีคุณขคารพผมเป็นชายที่ชอบเหตุชอบผลถ้าผมจะฆ่าชู้เพื่อศักดิ์ศรีก็ไม่ทราบว่าศักดิ์ศรีอะไรอีกละ่ะคนที่มีเมียเป็นชู้ไปนั้นศักดิ์ศรีมันก็เสียอยู่แล้วไม่มีความดีความเด่นจนเมียหมดรักเห็นชายอื่นดีกว่า เรื่องอย่างนี้ปล่อยเข้าไปดีกว่าเหตุใดชายต่อชายจะมาฆ่าแกงกันเช่นเดียวกันกับสัตว์แย่งตัวเมียปล่อยเขาดีกว่าหญิงไม่ได้มีคนเดียวอยู่ในโลกผมฆ่าชู้ตายผมก็ติดคุกและเมียผมละ่ะจะรักผมหรอเปล่าทั้งนั้นเขาก็หาผัวใหม่ต่อไปการที่เขามีชู้ไปก็เรียกว่าหมดเวรหมดกรรมกับเราแล้วก็หมดรักเราสอบสวนตัวเองก็พบว่าหมดดีซะแล้ว โกรธตัวเราเองดีกว่าโกรธคนอื่นอย่าตั้งใจแล้วก็ดื้อใจว่าตัวเราเนี่ยดีกว่าใครการที่เราทําเช่นนั้นแล้วแย่งเมียมาจากชู้ได้นั่นก็ได้มาเพียงแค่ร่างกายใจไม่ได้กลับมาด้วยใจของเขาก็ยังคงอยู่กับชู้จะมีประโยชน์อะไรที่อยู่กินกับคนที่เขาไม่รักเราผมพบเมียมีชู้ก็ตัดใจแยกทางกันถ้าไม่ได้ตํารวจเป็นพยานเรื่องข้างหน้าก็ยังคงจะมีอีกต่อไป ผมได้เพียงลูกสาวมาก็ดีล้นฟ้าแล้วลูกรักผมก็เลยต้องมาอยู่กับผมนี่แหละครับจะเป็นชายขี้ขลาดหรือไม่คุณทั้งหลายจงตรองดูในระหว่างที่ผมนอนคิดอะไรต่อมีอะไรอยู่ผมก็นอนหลับตาแต่ว่าหูได้ยินสิ่งของในห้องที่นอนอยู่นั้นมีการเคลื่อนไหวผมก็เลยลืมตาขึ้นไฟยังคงเปิดสว่างอยู่ผมเห็นเด็กหญิงรุ่นรุ่นคนนึงกลังจัดวางข้าวของเครื่องใช้ให้เข้ารูปเรียบร้อยผมนอนนิ่ง นั่นลูกสาวผมหรือว่าวิญญาณลูกสาวผมนับแต่ตายจากไปนานแล้วเพิ่งทำให้ผมเห็นภาพในวันนี้ผมกลัวผีลูกของผมหรือไม่ไม่กลัวแน่นอนครับถ้ากลัวจะไม่เชิญวิ ญ, ญญาณมาไว้ที่นี่แน่ๆผมต้องการให้ลูกกรักของผมอยู่ใกล้ใกลเมื่อลูกทำอะไรเสร็จตามใจเขาแล้วเขาก็เดินไปสู่เตียงเล็กที่ผมกางมุ้งไว้ให้ในเวลาค่ำคืนกระดูกของแกก็อยู่ในหอเล็กๆ ก, กลางที่นอนนั้นแกเปิดมุง้ง แล้วก็หายเข้าไปในมุ้งลูกเอ๋ยขอให้อยู่แบบนี้เถิดถ้าลูกหนีไปเกิดพ่อก็คงตรมตรอมไปอีกพักหนึ่ง